เขาไม่ได้ใจเหมือนกันว่าขาตาโร ต, ตาาลตาตาถาโค ต, ตเป็นอภิญญาเพิ่มอบอก <c oughs> ตอนี้มาบนรดาพระที่ฝึกกเหมือนกันเขามีหน้าที่แต่บอกอย่างเดียวได้หรือไม่ได้ในยอยู่ที่เราไม่ใช่อยู่ที่อาจารย์ไอ้ที่ทํากันไม่ได้ก็คือหนึ่งศีลไม่บริสุทธิ์ไอ้ศนลนี่นจะไป น, นั่งบริสุทธิ์เฉพาะทำแล้วไม่มีหวงังเพราะเป็นอภิญญาสมบบาบัติเขาฝึกเพิ่มมิพัน มันต้องบริสุทธิ์ไปก่อนถ้าหินบริสุทธิก็คงสมาธิไม่ดีจึงขึ้นจุรามนีไม่ได้หรือว่าสมาธิดีแต่มีอารมณ์ดื้อฉันเคยทำมาอย่างนี้นี่แกมาสอนขึ้นแบบนี้มันไม่เหมือนของเก่านี่ฉันทำไม่ได้ก็โง่ดำดึกดึกดำบันอยู่นั่นะก็จมพลังอยู่นั่นะไม่ใช่มีใครใครยกไปได้เขาไม่ยกไปหรอก ตัววิชามันมีสามอย่างนี่ยสี่อย่างสุ ข, ขวิปัสสโกเตมิโชชะลาพิญโยปริสันมิทัปโตมันต้องทําไม่เหมือนกันเขาจึงมีชื่อทั้งสี่อย่างพอได้อย่างวิธีปฏิบัติมันก็ตกแตกต่างกันไปแต่หากว่ามันเหมือนกันทําไมจะต้องตั้งชื่อทั้งสี่อย่างล่ะใช่ไหมก็บอกให้คนเนี่ยตอนนี้ทาํานายตอนนี่ค้าขายโยมเนี่ยทำไร่คนนั้นทําำไรกัน มันทำํำกินเหมือนกันแต่วิธีการทำไม่เหมือนกันใช่ไหมในการฝึกเพื่อกรรมฐานก็เหมือนกันเลยเจอะเยอะไอ้พวกเอาไอ้โฟลท์คงเนี่ยหือว่าเต่ามนมุษย์ยังรู้จักเ ห, เหงันหน่าไอ้โฟลท์คงยังไม่เงันหน้าเวลาสอนไปแล้ฉันเคยทําอย่างนี้มันไม่ถอนตัวถ้าไม่ถอนตัวนี่คูเขาไม่แครนะจะให้เขาโอ้ยเขาไม่โอ้ เขาถือว่าก็มีหน้าที่สอนเขแนะนําได้ความดีเมื่อไม่เอาเขาจะเอาให้เขาเป็นประคาเบ้คลองยิ่งชันด้วยิ่งหลักกว่คนอื่นองค์อื่นนั้นดีกว่าฉันถ้ายังเอาใจฉันไม่เอาใจใครได้ความดีฉันถือว่าฉันหาจะกว่าลจะหามาได้เลยฉันลำบากเท่าไหร่แต่มาหามันแล้วยิงจะดื้ออีกก็เชิญลงนรกไปตามวิยาสายตร์ไม่ห่วงให้ไปนั่งโอบแล้วคาเบ้คลองแล้วไม่มี ฉันปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยพระพุทธเจ้ามีอารมณ์มีถ้ามีจริยาสองอย่างนี่ใครหักปะใครหักถ้าใครปฏิบัติตาม ค, คําสอนขพระองค์พระองค์ก็สมบัติคับประของถ้าดื้อพระองค์เฉดให้ลงนรกไปเลยปล่อยดาวดียาัยก็จะเป็นหน้าแบบครับป ร, ข, ปรของว่าไอ้คนที่มันต้องการนารกมันเพประโยชน์อะไรนี้ก็ปไปตัดอาชีพพระยาโยมก็ใช่ไหม อันนี้วิธฝึกไม่ต้องมาฝึกที่นี่กลับไปฝึกที่วัดเนี่ยเขาได้เยอะเลยใช่ไหมแั้วได้ก็เยอะแยะแล้วนี่เขาได้ก็เยอะแล้วถ้าเราไม่ได้เราก็ต้องประ น, นามตัวเราว่าเราไม่ดีมันไม่ดีตรงไหนก็ไปถามเพื่อนเขามันบกพร่องตรงไหนนีม่มีเยอะไม่ใช่ไม่มีถอนไม่ได้ถอนไม่ขึ้นฉันเคยทํามาอย่างนี้นี่ใช้เอาอย่างนี้กับปล่อยเข้าไปเข้าใจไหมไอเราหา ม, มาไม่ได้หา ม, มาเพื่อรับจ้างสอนนี่ แล้วไปแน่ครูที่รับจ้างสอนเรียนกันเดินเขาก็ไม่เอาเหมือนกันตัวเรียนเนี่ยแล้วเดียนด้วยเขาก็ปล่อยจมปลังหม่กนนมนันแล้วอยู่นิชาความรู้ทางนี้ด้วยแล้วจะเป็นนั่งโอ้ต้องไม่มีทางใครอยากได้ดีก็เชิญปฏิบัติตามไม่ใครไม่อยากได้ดีก็เชิญปฏิบัติตามตัวไปยังนั่งแค่นั่งแค่นั่งบรรเลามรรนองอกอใจไม่มีความหมายขยับไปในรกเก่ารงไปนรกขยับไปสวรรค์ก็จงไปสวรรค์ ขยับไปพรมก็จงไปพรมขยับปนิพันธ์กจุปนิพันธ์ถ้าข ย, ยับไปในจลให้ดึงไปสบายนะั้ไม่ดึงแลพยุกส่งเลยไม่ได้ลงลึกๆีกก่รูในรกสบายไงเย้ไหมนี่จำไหนะดี่เขาได้กันตั้งร้อคนกว่าได้ไหมในเสดนั่นนะี่ยพวกเราก็ทํามันได้สิเรามันบกซ่องตัวไหนสินห้าเราบริสุทธิ์ไหมถ้าสินห้าบริสุทธิ์ เวลาที่เขาแนะนำให้ทำสมาธิเขาทายัางไงสมาธิแค่าภาวนาวันามะปฏะจงอย่าไปนึกถึงอะไรทั้งหมดให้จิตมันอยู่ที่นามปฏะอย่างเดียวใช่ไหมเวลาที่คุณเขาได้กัดกันห้าให้อารมณ์มันตัดจริงๆอย่าอย่าสักเสพว่าว่าตามเขาไปวาวเวลาทุกวันทุกเวลาเนี่ยมันต้องตัดหุมเข้าอยู่ ต้มแกงอยู่ตั้งนึกว่าไอ้คนที่มาหุงข้าวต้งแกงอย่างเราเนี่ยมันตายไปไม่รู้เท่าไหร่นะในเรื่องอะไรที่เราจะเมามันในขันห้าอย่างนี้แต่ว่าเมื่อมันมีชีวิตอยู่แล้วก็ทําตามหน้าที่ใช่ไหมเราทําไรไ่ไถนาเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ก็นั่งนึกถึงไอ้คนที่เลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ทำไรไถนาอย่างเราไอ้นาที่เราทำเนี่ยมีคนอื่นเขาทำมาก่อนหรือเปล่าใช่ไหม <S <S ขเขาทํามาไม่รู้กี่ชั่วคนในคนกเก่ามันก็ตายไปหมดไอเราไม่เช่ า, ต า, ต, าตายตามพวกนั้น แล้วก็ขันห้านี่มันจะมีประโยชน์อะไรเราเคยยิงห่ า, างหาางหุาแบบนี้อะไรจมีประโยชน์ประโยชน์จริงๆก็คือพระนิพพานอย่างเดียวเห่นไหมถ้าจิตของเรารักพระนิพพานจิตรตรงอารมณ์สมาธิมีศีลบริสุทธิ์มันเป็นของที่ไมยากก็ฝึกกันมันเดียวไปได้เยอะๆเห็นไหมมีไหมที่นี่นี่ก็ตัวอย่างเขามีอยู่ตัวอย่างเขามีอยู่ถ้าเราทำไม่ได้แล้วก็ไปถามเขาว่าทําไหมเขาจึงทําได้ เมื่อเขาทําได้ก็วางอารมณ์ตามเขาก็หมดเรื่องก็ไปได้อนนี้คนก็ทําได้ไปถามก็บอกเอออย่างนี้ฉันไม่ชอบก็ไม่ต้องไปก็ไปได้ไงอนนี้ใครไปเกาะจานไงเขาลงเรือไปแล้วโอ้ยก็ไม่ไปไปเรือบ่ไยน้ําดีกว่าให้ถามกินเลยใช่ไหมเสร็จอ่ะเม่ไรมึงจะถามอะไร ตัวนี้ต้องให้เรื่องปฏิบัติที่ยจำให้ดีนะแล้ตัวอย่างมีที่นี่เป็นเพียงว่าให้ความรู้ได้นนด ไ, ดไห้หนนนคนไปฝึกไอันนี่ต้องรู้คำว่ามุสานี่ต้องทำลายประโยชน์เขาไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ของหกไม่ช่มุสา บางทีการนี้ดีได้คําว่ามูสาเได้ตอนทําลายประโยชน์เขาตอนนี้เราทําเพื่อรักษาประโยชน์เราใช่ไหมยังไม่อยู่ในเกลิ่นมูซายังที่เขาไม่เขาไม่ถือว่าขาดกลนหนค่ช่แล้วเราก็ต้องบอกวันนี้เราไม่ด้ทำมาซึ่งสิ่งที่เราังไม่ใช่้สิทธิ์ใช่ไหมเอ้เราคืนให้ไปเราก็ไม่ได้มีอยู่เหลือเฟือเนี่ย ไอเงินเนีเรามีแต่เงินที่เราจะให้ยืมมันไม่มีแล้วก็บอกไม่มีแต่เราบอกไม่มีกเฉยเรายืมไม่ได้เพราะจริงเรามีแต่เราจะต้องใช่ไหมถ้าเขาไปเขามันมาสมคืนเราก็ลาบากถ้าเรามีเหลือเปฟือมันไม่เป็นไรอันนี้เราถือรักษาประโยชน์เราเขาไม่ถือเป็นมุสาไนะอย่างพวกค้าขายนี่ก็ไม่การลงทุนลำบากเดียวจะขายสิบบาทถ้าท่านตลาดก็ขายแบบนั้นนี่ใช่ไหมเราก็บอกนี่าาขขาราคาถามราคาประาณสิบบาทแล้วเท้าขายตามราคาท่านตลาด เขาขอลดล้ว บ, บอกรลบไม่ได้ลราต้นทุนมนแพงมันแพงเท่าไรเราไม่ได้บอกเราจะบอกว่าเก้าบทาทห้าสิบเนี่ยแล้วบอกแพงเฉยเฉยเป้าการโยงท้องตลาดอันนี้มันไม่เป็นไรเนี่ยไม่ถือว่าเป็นาาอุตสาหอใครนี่เข้าใจ ย, ยมข้อนี้มีคนข้องใจกันมากแต่ว่าถ้าเราพูดไปเพื่อรักษาประโยชน์ของเราถ้าไรเพราะว่าถ้าเราไม่ทายรักษาปโยชน์เราให้ไปมันก็ไม่คืนนาที นี่เราก็พังอะเด็กใช่ไหมนี่อย่างนี้ยังไม่ถึงมือสาวัดเมื่อสายวาดมันต้องไปอย่างนี้คือประโยชน์ของเขาที่จะเพิงมีรโยชน์ประเหตุนั้นเเราไปบอกทีนี้กันอย่าไปทําในแบบนั้นขาดทุนตายแล้วเราจะเอาสิ่งอื่นใช่ไหมแต่เหมือนกับผู้ใหญ่เลี้ยงเด็กให้เด็กเดินไปชานบ้านแต่คืนปล่อยไปเด็กมันหล่นในทุนตายใช่ไหมไปหนูอย่าไปเด็กหล่นในทุนเด็กไม่เชื่อ ถ้าเด็กเป็นกลัวงูตุแกเพราะแกไปในตรงนั้นงูมันมีตุกแกมันมีเด็กก็กลับอันนี้จะรักษาประโยชน์ของเด็กไม่เป็นมุนสาวาทมันเป็นเมตตาเพราะว่าถ้าเราพูดตรงไปตรงมาเด็กเขาไม่เชื่ออาจจะหล่นในถุนบาดเจ็บหรือตายถ้าเราบอกแบบนั้นก็เป็นการรักษาวิญญาณและรักษาชีวิตของเขาใช่ไหมอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นมโสาวาทนะเป็นเมตตาจิตมันเป็นคุณไม่ใช่โทษ นั่น ไ, น, ไ, น, ดไดนี่ทีหใหม่นี่าอกข้าไม่พูดข้าไม่พูดข้าไม่พูดท ไ, ดไดี่ไไ้าพูดกันอยู่บอกไม่ได้ตังที่ให้ยืมแกยู่ไม่มีเอย <c oughs> ถ้ามีเนกันมีแค่อย่าซื้อเท่าสายกินซื้อซื้อกับข้าวกินใช่ม ม, มีเล็กน้อยแบบ่งไม่ได้แล้วต้องบอกมีเล็กน้อยล้วก็ไม่มีมากใช่ไหม มันมีอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ความจําเป็นมันมีอยู่สําหรับเราก็ถือว่ามีเล็กน้อยใช่ไหมไม่ใช่มีมากถ้ามีมาก็กต้องมีอย่เหลือเฟือแล้วบอกมีไหมบอกว่าเอาจะว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่มันมีเหมือนกันเราจะซื้อกับข้าวตอนเย็นนี้นะแล้วภ า, ารจิตอื่นมันมีมันไม่ไหวแล้วคุณไปแล้วฉันก็ให้ไม่ได้แล้วบางทีเราก็ต้องบอกไปเลยบอกมันให้ยืมไม่เยอะฉันไม่มีแล้วใช่ไหมก็ตัดไปจุดนั้นเลย ต้ดไปจุดตองข้าให้ยืมไม่มีไอคนตู้นี่บอกมีแล้วก็เดี๋ยวมึงเอาอ่ะต้องตัดไปว่าเงินให้เยอะนี้ไม่มีจริงๆฉันไม่มีหรอกนะอันนี้เราพูดถึงเงินให้ยืมใช่ไหมเงนนินที่เรามีอยู่มันจําำจะต้องใช้อันนี้ก็ไม่ถือเป็นมุสาวาทนะเพราะว่ามุสาเนี่ยมีคนเข้าใจกันมากแต่ว่าถ้าเข้าใจจริงๆมันไม่เป็นหรอกอาจารย์พ่อเลยเพราว่าคําว่ามุสาต้องทําลายประโยชน์ของบุคคนอื่นเห็นไหม นี่ถ้าเราจะดูตัวอย่างตัวอย่างมีเยอะแยะไปอย่างโดยสารีบทเทศให้าตามพิกาโจรฟังหรือว่าพระพุทธเจ้าทรงรอดพระนันทะดีไม่ดีหาพระพุทธเจ้าโกหกเลยโดยสารีบทโกหกก็พระพุทธเจ้าทรงรดอดพระพพนันทพระนันทาะมันทำเป็นน้องโลกขมันนางกีสาโคตมีพนานาง ก็พ่อเดียวเป็นคนละแม่ใช่ไหมเมื่อพระมันดะลาออกเมื่อพระองค์คลอดมาแล้วเจ็ดวันพระพุทธมันดาก็ตายที่ตายก็เพราะว่าผู้หญิงคนใดที่ลูกออกมาคนนั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าคันนั้นไม่เหมาะสมหรับคนอื่นท้องนั้นนะ น, นะคนอื่นไม่ควรจะมาเกิดในท้องนั้นแม่จริงต้องตาย ตายแล้วก็ไปเกิดวิถีวดาบันชั้นดุสิทไม่จะตายไปเรวแล้วาตายดีนะในนี้ในเมือ่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุได้แค่เจ็ดวันเนี่ยทํางไงก็ต้องยกน้องสาวขึ้นมาเป็นแม่เลี้ยงใช่ไหมเอาแต่งงานแต่งกับพรนางกีสาโคตมีพนางกีสาโคตมีก็มีลูกมาคนพอเวลาจะขอดมาก็รู้สึกมีการรื่นเริงสําหรับญาติมากจะให้นามว่าอนันทะ นันพนันท่าแปลว่าลื่นเรืองมันทึงใจต่อมาพนันท่าจะแต่งงานไม่จะแต่งงานกำลังแต่งแลาวก็มีมนพระไปมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานไปฉันในงานแต่งงานพระพุทธเจ้าท่านก็นั่งมองดูน้องชายท่านว่าน้องชายของท่านเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นอรหันต์ได้ใช่ไหมแปลว่าถ้าจะบอกให้บทในดนั้นเสียก่อนมันก็เป็นไปไม่ได้เขาเริ่มไงกันมานานแล้ว ในเวลาที่ท่านท่านฉันเสร็จท่านก็เรียกนันทะเข้าขมาบอกนั้นทารับบาตรถ้าเราส่งบาตรให้ถ้านันทาน้องชายเราคิดว่าออกไปหลังบ้านแล้วพระพุทธเจ้าจะรับบาตรพ้าพระเจ้าไม่รับบาตรเขต้องเดินตามท่าไนไปเรื่อยนะตามธรรมดานะอันนี้การขมาที่เดินลงมาเยียงคู่คู่แต่งงานก็บอกเพราะลูกเจ้าเช้เสด็จกลับมาไว้บนะแหมนใจหายว่าเผย <c oughs> วันนี้ซะด้วยนะ ไอ้วันอื่นไม่เป็นไรวันนั้นวันหนักจริงๆนี่พอไปถึงหลังบา้านพระพุทธเจ้าก็ไม่รับบาตรไอ้ัอนนันท์เนึกว่าไม่เป็นไระไปตามทานท่านก็รับตามทานได้ก็ไม่รับบาตรเพงเดินนำเรื่อยไปถึงมีหานพอไปถึงมีหานกานั่งลงพระนันท์เท่านั่งลงเอาบาตรถวายท่านทานพรนันท์าทาวันนัน ท, ท, นนน ท, ท, นนท์จะบวชเหรอเออเอาเฉย นายคนกำลังคิดถึงเมียมันแต่ง ใ, ใหม่หม่ดันทำเที่ยงนได้ตอนนี้อาใส่ที่วิสัยเขาท่านจะเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมจะลยให้เกิดความเกรงใจพระเจ้าพี่ปันหาว่านำผ้าจ ะ, านานาจะบวชเลยก็เลยบอกคัยจะบวบอ <c oughs> ีตอนนี้มามายุ่งแล้วทีนะนายโยมวันไหนวันสำคัญนี่วันนั้นน่ะนะเห็นมมรอใครวันสำคัญไม่เชียว นี่พอบเบืแล้วทำยัไงแกนั่งจะมาถามใหเห็นหน้าเมียเลยภาพปฏิภาพอันิมิตรภาพเมียขึ้นจำไหมเออนั่งนั่งไม่ยอดัด้ต้งจะทําอะไรได้ไอความรักมันจด จ, จ่ออยู่แบบนั้นใช่ไหมนี่พระเจ้าเจ้าท่านรู้ไม่ใช่ท่านไม่รู้ที่ทำทําก็เพราะว่าหวังประโยชน์ส่วนใหญ่ไอโลกิยาทรัพย์มันเป็นทุกข์ถ้ามันเป็นสิ่จริงพระองค์ก็เป็นพระเจ้าบันดินเอใช่ไหม แล้วก็ไม่ละไม่สาะไล่สมบัติไปนี่พระองค์ทรงลาไปเพราะมันเป็นทุกข์ต่อมาวันหนึ่งพระพุทธเจ้าว่าชวนพนันพะไปเที่ยวสวรรค์เชนดาวดึงก็มีองค์เดียวที่พระพุทธเจ้าพาไปเที่ยวก็ก่อนที่จะถึงสวรรค์เชนดาวดึงค <c oughs> อามนึกจำได้ไหมไอ้ต้นไม้ตัวนั้นขึ้นไปตามทางพวกเขาพวกเขาพระสมเณรไปถึงไอ้ต้นไม้ต้นนั้น่ะ <c oughs> ท่านกนันนมิตลิงตัวไอ้ลิงตมเมียจะเป็นที่เรือนได้ทั้งตัวเลยแม่ถามนันท์พะเห็นลิงไหมไอ้นันทาพร ก, ก็เห็นไม่เจ้าค่ะเพราะลิงเปไน็นไลิงตมเมียเป็นที่เรือนทั้งตัวถ้าเราฉยแล้วท่านกับพาไปมุสลันพาไปที่บรรดุกำพลชีลาอับทอพออินนางฟ้าก็เยอะแยะนี่ท่านเห็นนางฟ้าก็ถาม ก็มองดูถามนั้นถ้าเห็นนางฟ้ามาเห็นถาว่านันท่าอยากได้นางฟ้ามหมอยากจะแต่งงานนางฟ้าวันนี้เขาก็จะจ้าเป็นเธอเองเป็งเขาเองนะเอออยากได้แล้วก็ถามว่านางฟ้ากับนางชนบทกัญญานีเขาว่ายกชนบทกัญญานีกัญญาณ์เขาบากสาวสาวสาวงามนะผู้หญิงคนสวยที่แต่งงานในวันนั้นเป็นลูกสาวชาวบ้านเขาเรียกว่าชนเขาเรียกว่าชนบทกัญญาณี ถาว่านางฟ้ากับ น, นางชนบทกัญญาณีเนี่ยใครสวยวกว่ากันนางนำท้าก็เลยบอกว่านางชนบทกัญยาณีเนี่ยถ้าจะเปรียบกับนางฟ้าก็เหมือนกับลิงตัวที่เป็นขี่เรือนนั่นแหละความสวยเนี่ยมันสู้กันไม่ได้เลยนางฟ้าก็สวยสดงามมากท่านถามวาอยากได้ไหมนางบอกอยากได้ถ้าอยากได้จะแต่งงานสถาเขาจะติดต่อให้เอาไหมนางบอกว่าเอานีพระเจ้าจะติดต่อให้หมั้ยตั้งให้ดีนะ ยาพระเจ้ากกใช่ไหมที่เล่าให้ฟังว่าน้าโยมบายที่มุ่งความดีไม่ได้หมายว่าโกหกแต่บริสุทธิ์ท่านก็พาพนันทากลับเพราะนั้นทะถ้าเธออยากจะแต่งงานกับนางฟ้านะเธอต้องทําอารมณ์ใจอย่างนี้นะถ้าเธอทำอารมณ์ใจอย่างนี้ได้เธอจะแต่งงานกับนางฟ้าได้แล้วเธอต้องกาคนไหนไปชี้ตถาเคตจะติดต่อแล้วเขาอินให้ใช่ไหม ท่านก็ไรีกว่า ก, การทำยานั้นน่ะจะมีสิทธิ์ได้แต่งงานกับนางฟ้าพระพุทธเจ้าบอกเอบอกบุตริพัสนายาให้อาหารให้ mm hmm. ถ้าเราทําไปทําไปจะไปผลสุขเป็นพระรหัน mm hmm. ใช่ไหมทําปรืนี้ก็จะเป็นพระรหันนะทุกพระพุทธเจ้าทํ า, าทไมบอกนะบอกนี่ถ้าอยากจะเป็นนางฟ้านะ่ะเธอพิจารณาอย่างนี้นะชาวปีตุขาความเกิดเป็นทุกข์ เวลาวิจุข้าความแก่เป็นทุกมานําพิทุครั้งความความตายเป็นทุกเนีย่ยคือเทวด า, ากับนางฟ้าผอมนี่เขาไม่แก่เขาไม่เจ็บใช่ไหมมีจิตจริงในร่างกายเขาจะหนุ่มจะสาวตลอดกาลตลอดสมัยเขาเป็นอย่างนี้เธอที่เจรนาว่าอย่างนี้นะ่ะถ้าจิตเธอได้เข้าถึงเป็นเอกตรอารมณ์มีรมณ์อันเดียวเป็นฌานเธอก็มีคุณสมบัติเผยแต่งงนกับนางฟ้าได้ตถาคตจะขอให้ อนันธาคำหวานเรื่องกล้วยๆแนี้นะไอ้เรื่องกล้วยแบบนี้กูมีฝังแน่แหมเห็นสวยแจ่มซ้อยนะมันดีทั้งหมดแต่ที่ไหนได้ทาไปทำไปถึงอรหันฝองพอถึงวนนันาถึงว่องาอรหัน <ง S 2> แล้ ว, ลวพระพุทธเจ้ากรท่านก็รักษาสัสจจะท่งก็เรียกอนัาน า, นามาอนันทะอารมณ์ที่จะทาคตสอนไปเนะี่ยเธอทำได้อย่อยาง ทำได้ไหมนั้นถ้าก็บอกทำได้แล้วพระเจ้าค่ะบอกเออทําได้แต่ท่านรู้แล้วนะพระเจ้าไม่ใช่ไม่รู้นะดีถามนะแกล้งถามนะท่านรู้ใช่ไหมรู้ว่าเป็นอหลักฐาแล้วเพขาบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นคุณสมบัติที่เธอจะเป็นสามีนางฟ้าครบถ้วนเธอต้องการนางฟ้าคนไหนบอกตถาคตถาคตจะไปติดต่อพระอกนทร์นะบอกไม่เอาโไม่เอาแล้วเสร็จ ใช่ไหมอย่างนี้จะหาว่าพระพุทธเจา้าโกหกป่านี่ก็ถือว่ารักษาประโยชน์เร า, างทำนี้นะได้มีท่านหนึ่งที่จะจะแนะนำไปฟังวก็คำว่าโกหกเี่มันเป็นการทำลายประโยชน์ใช่ไหมอีกท่านหนึ่งก็คือปรสาลีบุตรปรสาลีบุตรเนี่ยท่านเจริญชาวสมามบัตในเวลากลางคืน ท่านเราทราบว่าตามที่กระโจนคนเนี้ยในอดีตชาติเคยทําบุญร่วมมาหลายวันละไอ้ทาบุญร่วมกันนี่ก็ไม่ได้ไหมายเป็นัผเป็นเมียมกันหรอกนะใช่ไหมเนี่ยมาทำร่วมกันแบบนี้นะถ้าทำอะไรแล้วก็ทําด้วยกันสร้างวัดก็สร้างด้วยกันให้ทานก็ให่ทาด้วยกันนี่เขาเรียกทบุญร่วมกันไอ้โบราณเคยทําทบุญร่วมชาติใส่บาตรรวมขันหาเป็นโผ เ, เป็นเมียมกันกวออายุ่งติดบุษยชัยโอ้ชัย นี่เคถือว่าเคยเป็นคนเรื่องทั้งกันมาในจันก่อนแต่เห็นว่าตัมพิการโจนเนี่ยมีวิสัยจะเป็นพระโสดาบันแต่ว่าตัมพิการโจนเนี่ยสร้างบาปมามากเมื่อสมัยที่อยู่บ้านก็เป็นคนมีลักษณะไม่ดีอยู่แปดอย่างลักษณะไม่ดีแปดอย่างนี่เป็นลักษณะที่ครบไม่ได้เลยคือแสดที่คนไม่ซื่อสารจริตใช่ไหม แล้วเพื่อนๆเขาไม่คบพอเป็นนมขึ้นมาก็เข้าไปในป่าไปเป็นลูกน้องเขาโจร น, นายโจถึงเข้าก็ไม่ยอมคบบอกไม่รับไอเด็กคนนี้ไม่รับไว้ใจไม่ได้ดีไม่ดีเป็นฆ่าพวกเรานะ่นเนี่ยแต่ว่าอาศัยที่ท่านเป็นคนฉลาดท่านก็ไปตีคอสนิทนี่น่ากลัวแบตเตอรี่มันใกล้กล้จะหมดแลยแบตเตอรี่ในเครื่องเนี่ย คุณไม่เอาินกระเป๋าข้างบนนีนะไม่ใช่เอาไอ้กระเป๋ากระเป๋าสิบเล็กๆ ก, กนนะที่ที่เตียงรล้วาสายที่ท่านเป็นคนยนลท่านก็ไปตีคอไปตีคอก็ลูกน้องโจรไปตีคอดีเขาก็เลยให้อยู่ด้วยอยู่ด้วยทำดีในที่สุดในที่สุดเขาก็ในในโจรก็รับรับเข้ามาเป็นคนอยู่ด้วย ไอ้นายโจรคนนี้โจรกลุ่มนีม้มันก็ได้ฆ่าคนบ้างเียลินเขาบ้างเป็นปกติมาวันหนึ่งพระราชาก็สั่งทหารตำรวจไปจับโจรชุดนี้ได้โจรชุดนีม้มีทั้งห้าร้อยคนเห็นไหมอันนี้พอ น, นำมาทั้งห้าร้อยคนก็ถามไีเ่เจ้าขาดถามว่าใครสามารถฆ่าโจรห้าร้อยคนนี้ได้ไหมเอ๊ะ อ่อถามว่าใครจะ่าโจนห้าร้อยคนในบังใครยอฆ่ากันหัวก็ไม่เอาแล้วดีกว่านะนี่ไงวะเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวข้านากรเปเต็มที่ไม่ได้อันนี้ตัดติดเครื่องด้วยก่อนอต่อมาก็ อ, อตั้มีก้กาโจนก็ไปประจบตีคอประจบ ก, กล็ลงนอนโจนจนกระทั่งเป็นคนไม่วางใจเขามาเขาจับมาได้ อ่าผู้ใหญ่เข้าราชการผู้ใหญ่ก็ถามว่าจะมีพระเจ้าข้าคนไหนบ้างที่จะฟันคอโจรห้าร้อยคนได้บ้างพระเจ้าข้าที่มีอาชีพปกติบอกไม่ไหวถ้าห้าร้อยคนนี้ฆ่าไม่ได้เขาก็ไปถามควหน้าโจรถามว่าคุณฟันคอรุน้องคุณได้ไหมถ้าคุณฟันคอรุ่มน้องคุณได้ก็จะยกเป็นคุณให้เป็นพระเจ้าข้า ตัน้าเราบอกไปเอาก็านั่งไล่เบียร์ขยเขาไล่เบียรมาถึงคนที่ห้าร้อยตันทิการโจอยู่หลังสุดตันทิการโจบอกคอทำลายใช่ไหมก <c oughs> ูไม่ตายที่อย่างยังไงก็ต้องตายหมดแล้วใช่ไหมแกรับได้รับได้เท่าเลยฟันคอพวกเดียวกันห้าร้อยคนตายแล้วก็ตั้งให้เป็นพิจะรณาเมื่อตายเป็นพิจะรณาแกก็ฟันคอคนเรื่อยๆมาเป็นอันว่าแกต้องฆ่าคนเกินกว่าหมื่นคน มาตอนหลังสดแ ก, แก่แล้วตเออไปที่ออร์เนี่นี่ไม่ได้ไว้หลังแก่อ๋ออันนี้ไว้ผัดได้ตอนมาแก่แก่แก็ไม่สามารถจะฟันคอคนให้ขาดในทีเดียวได้ก็เห็นเป็นการทรมานเขาก็ปลดพอ ป, ปลดเนี่ย้ขาให้บำเหน็จมีฐานะอยู่ขั้นกระห่าวดีรวยนะ พอแกก็มานั่งนึกในใจว่าเออสมัยเราเป็นพิเศษขาดเราแต่งตัวสวยก็ไม่ได้ร่างกายเขาเลยต้องเปื้อนเลือดยู่ทุกวันได้ข้าวดีๆแล้วก็กินไม่ได้ไม่มีเวลาต้องไปทำงานแต่เช้าวันนี้เราออกจากราชการแล้วพระราชาพระจชทานทรัพย์มีความร่ำรวยถึงขั้นก้าวพอดีก้าบดีนี้ก็ไล่เกษตรทีแะไรนะมีเงินเกือบจ ะ, ะสี่สิบล้านสี่สี่สิบโไม่ใช่เรงเล็กนะ มีเงินย่อนก็สี่สิบโกดนิดหน่อยเขาเรียกกันว่าดาบดีถ้าตั้งแต่สี่สิบโกดขึ้นไปเขาเรียกอนุเสฐีตั้งแต่แปดสิบโกดขึ้นไปเขาเรียกมาหาเสฐีนี่แกก็นั่งนึกในใจว่าแต่งตัวดีสวยแล้วก็แต่งไม่ได้กินข้าวดีๆแล้วก็แต่งขักดินไม่ได้วันนี้ออกจะราชการไม่ต้องทํางานไม่ต้องเปื้อนเลือดฐานะก็ดีพอสมควรก็อยากจะกินข้าวมาทุกป่าย ไอ้ข้าวันทุปยาตแต่มันมีรสอยู่ห้าอย่างเป็นของที่พระราชากรรมหาเศรษฐีกินกันแล้วก็แกต้องการจะนุ่มผ้าสาดกผ้าสาดกพื้นสีแดงดอกสีทองนะครับแพงมากจากแคนกาสีแกก็บอกลูกสาวจะมีลูกสาวบอกลูกเปซื้อผ้าให้พ่อสองผืนนะ พ่พอพ้นตำแหน่งพระเยคายก็ขาอยาจะแต่งตัวสวยลูกสาวก็ไปซื้อมาให้เด็กก็นุ่ Spin, nous, งผืนห well, ่มผืนดูท่าทามันท่าทางมันหล่อเหลาดีไม่เคยแต่งนะเกก็บอกลูกสาวว่าพ่ออยากจะกินข้าวมาทุกป่ายาตลูกสาวก็ทําให้เมื่อลูกสาวทําให้เสร็จก็ปูอัสนะสวยๆเงินมีมากนี้ทําไงก็ทําได้ปูผ้าสวยๆวาสนะให้ท่านพ่อก็นั่ง ลูกสาวก็ข้าวมาทุกป่ายาดมาให้ท่านพ่ออยากมาหลายปีนะจังอยากจะเล่นมาเลยไฟนี้ข้าวน้ำลายไหลใช่ไหมมันอยากมานานแมวันนี้จะฉะให้เต็มอยากเทสมอยากก็ปเป็นอันว่าพอเริ่มจะตักข้าวภาษาริบโผล่ประตูเรือนเหยแม่พระนี่ต้องคิดเหมือนกันนะใช <c oughs> ่ไหมแต่ว่าอย่าลืมว่าภาษาริบ ท, ท่านเคยเป็นคู่ร่วมบุลกันมา พอพระสาดิบุตรโประตูเลือนให้กะนึกแต่ร น, นึกในใจว่าเออเรานี่ทาความชั่วมาตลอดการตลอดสมัยทานนิดหนึ่งเราก็ไม่เคยให้สีนิดหนึ่งเราก็ไม่เคยรักษาวันนี้เราอยากจะกินข้าวมาทุกประยา่าที่เราอยากจะกินมานานแล้วมันของดีมากแต่แต่ว่าเราก็มีไม่มีโอกาสจะได้กินแต่วันนี้เราจะได้กินแต่ว่าเ อ, อิญมีพระมาสงเคราะห์ ใช่อย่ายงนั้นเราก็อยา ก, กินมันเลยใช่ไหมแล้วข้าวนี่ถวายพระ ด, ดีกว่านั่นเลยนิมนต์ภาษาลิบทมาเมื่อนิมนต์ภาษาลิบทมาก็ให้ภาษาริบทแกก็ลุกจากที่นั่งของแกให้ภาษาริบนั่งแทนแกก็กไปนั่งข้างล่างภาษาริบท่านเป็นพระฉลาดท่านก็รู้ว่าตามที่กโจนในอยากอาหารเต็มที่ ถ้าเปนั่งตามพิกาะโจนก็เอาคาจริงก็เป็นพยยิจารณาแล้วก็เรียกว่าตามพิการโจนตามเดิมเนี่ยไอ้คาว่าตามพิกะนี่เขาแปลว่าขาวแดงไอ้เขาอวองแกหน oid ขาวมันสีสีแดงแต่ชื่อจริงๆไม่ทราบจะชื่ออะไรเขาเรียกตามสัญลักษณ์ว่าขาวแดงเจรขาแดงก็คเมื่อกเข้าไปป ร, ร, บบระเคนพระสันตบุตรตั้งกฉันท่านไม่ได้ไปเพราะอยากข้าวัุปวายาต อย่าลืมนะว่าพระาอารหันต์นี่เขาไม่ได้ติดในรสอาหารใช่ไหมมีอะไรก็ได้เปรี้ยวๆ เ, เ, เค็มๆนิดๆหน่อยพอมาเกินได้เขาก็าเกยนไปแต่วันนั้นตนบีกาโจนจะกินอาหารดีแต่ว่าภาษาที่บทไปไปเพื่อการสงเคราะห์เวลาที่ตันบีกาโจนถวายเขไปท่านก็เลื่มฉันเวลาฉันไปแท่านก็นชำเรืองดูตาบีกาโจนไปแล้วคอยชำเรืองไม่จะพองรู้ตัวอีตานั่นก็อยากกินมาหลายปีแล้วเนี่ย ใช่นหมทำลายก็ไหล ย, ยืดไม่ใช่ทำลายสอาย่อไหลพระสารีบุตรท่านเห็นเข้าท่านสังเกตอยู่แล้วท่านอาถามว่าโยมมีความกระหายพระนิกรจงก็บอกว่ากระหายครับผมอยากกินมาหลายปีแล้วแต่วันนี้ตั้งใจอยากินให้ต่างความพอใจแต่ว่าพระคผูเจ้ามาสรวจก็เลยถวายพระคุูเจ้าก็สารีบุตรท่านาถามว่าโยม ถ้ามาทุกไปญาติเบิกเงเข้ามาเนี่ยมันเป็นสิทธิ์อาตมาใช่ไหมท่านก็บอกว่าใช่แต่ท่านก็ถามต่อไปว่าถ้าอาตมาจะให้ใครเนี่ยโยอมอย่หวงไหมท่านพิการจนก็บอกว่าก็ผมถาวายพระคุณเจ้าแล้วนี่ครับถ้าแม่คุณเจ้าจะให้ใครก็ได้เพราะมันเป็นสิทธิของแม่คุณเจ้าท่านก็เลยบอกใช่งั้นโยมขอภาชน ะ, ะเปล่าสกลกโลกเถิดท่านก็ไม่บอกว่าจะให้ใคร ยก็สั่งให้ลูกสาวเอาชามเปล่ามาลูกท่านก็แบ่งครึ่งเลยตอนนีน้โยมมันเป็นของอาตมาอาตมาขอแบ่งให้ครึ่งหนึ่งเจ๊ะไหมตอนนี้ก็ว่ากันไปดิพระกับฉันอิตตามิกะโจงก็หม่ํมาล่อลองสนุกต่างคนต่างกินนะกินจนชื่นใจดีแล้วพอชื่นใจดีแล้วท่านก็เริ่มเทศใช่ไหม น, นั่นโมทนาเนี่ยก็ไม่ได้ว่ายะถาสตีโมทนาก็คือเท